มีนาหลายจิตหลายนามเพราะหลายองค์อด้วยกันพราะกรรมาฐานเกี่ยวกับเรื่องความสามารถี่ไม่เหมือนทาปริญญาปันธุกรรมกรรมฐานปฏิบัติเอาจริงมาจำไม่ว่าอะไรทำตามนั่นจริงตาหลักทำจริ ง, งความสามารถที่าักับปู่ไปแล้วใน ห, ห า, า, น, าน้ธรรมสุเมงกาสันจิตสัน สมัครงาบุตรมสนติสมัคราสังพระการงานเกิดสันติวุฒิเยวะพิเีกพุ่ ง, งใ น, ในสสั่งไปทางข้างไปห้านิ้วประชุมก็สร้ามเพียงการประชุมและเลิกก็สร้ามเพียงกันเลิกและสร้ามเพียงกันจิตที่สูงจะพึงถอยเป็นข้อหนึ่งในเจ็ดข้อในบทสัญญาที่สามธนี้เป็นาการเพื่อความเจริญทายเดียวไม่มีความเสื่อ ดำเนินตามหลักสารานิยธรรมบริหารนยธรรมก็ถูกต้องมีความสงบสุดอยู่ด้วยกันเป็นฐานสุขเป็นหนึ่งใ น, นอวัยวะเดียวกันโมนสารานิยธรรมกชัดแทบลงท่าดลงท้ายบอกนั่นเป็นหนงความเป็นหนึ่งเดียวกัน เี่ภาวะเครื่องมือต่เป็นไปเพราะความเป็นหนึ่งเดียวกันปัญญกรรกา ร, รกเป็นไปเพความนัเป็นทางเป็นปราะความเป็นไปพเปไปพวความหนักแน่อของขอโรปปัาการรุก้กานร ตั้งกราอย่างอายุานาสร้างมิาเอภาวยะภาวะสร้างอะอมเป็นไปเพวความเพลงพ้องเพียงยังยอมเป็นไปเพื่อความเป็นเดียวกันเเอภาวทําเห่านี้เป็นของเก่ามืพวกปฏิบัติไปฏิบัติตามทำหนุนี้มันจึงเลืเลอถ่ถ้าปฏิบัติตามทำหนุนี้ ที่ไหนักษนาจะเพิ่มวัอ่อนกำลังปีไหนมันอ่อนแต่ผู้ปฏิบัติตามศาสนาเหลวไหลเหลวแหละไปเพราะผู้ปฏิบัติศาสนาทั้งนั้นชา่านั้นทำอย่างคงเส้นคงวาบางที่ว่าอย่างนี้ก็ามอยู่ด้วยกันหลายองค์จึงต้องรามักระวังกยงายามยาก้างแสดงออกต่อ ก, กัน อย่าให้มีเรื่องของกิเลสแทกออกมาหรือเป็นหัวหน้าออกมาควายมยำหนาาในการเกี่ยวข้องกันจะเป็นการกระทบกระทําทำให้แต่กร้าวทีอย่างน้อยก็แค่ละลายไม่เป็นอารมณ์ของใจนาวงาไม่ลงนั่หลักใหญ่กังนตลางอ์กลางมีธรรมอยู่ในใจมุ่งอัดมุ่งทามุ่งเพางงเืาความถักต้าง ไม่ยอมให้กิเลสประเทศเห็นแก่ตัวซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนั้นโผล่ออกมาทำลายธรรมะมันเป็นของดิบของดีต่อที่จะป็งได้ต่อไป ม, มันก็ดีเรักษาไดาไ้แต่ทำไมจะรักษาไม่ได้เพราะสิ่งนี้เป็นของหยับหยาบระหว่างเพื่อนสูงอยู่ด้วยกันพูดพรถูกใครผิดนันก็ทราบกันอยู่แล้ว เขาเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันพูดออกมาผิดทำออกมาผิดกับหลับทําหลับยี่ไห่มันต้องทราบกันเมื่อทราบกันแล้วก็สร้างคำพันเตปวารนี้การปรนนาซึ่งกันและกันซึ่งเคยได้ประกาศจิ่ทุกปีวันมหาปราณามันก็ตัดกตกัวนั่งสอนกันได้ถงกับที่เปิดช่องกโอกาสให้ซึ่งกันและกันการกล่าวไปเฉย แต่ว่ากล่าวมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากประกาศความเป็นหุ่นของพระผู้ชมหาสาระกลุ่มไม่ได้ทำไมเรื่องความประกาศความเป็นของพระไม่ใช่เป็นความจริงของพระผู้มุ่มทมทนทำการบวชเมือ่อเรามูต่ต่ออัต่อธรรมอยู่ด้วยดีแล้ว จะไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายไม่มีความทุกข์เหมือนอย่างโลกโลกทั่วทั่วไ ป, ววไปเพราะนั้นมันน้อยแปรธรรมการที่จะเป็นไปให้เกิดความเพื่อความกระทบกระเทือนระหว่างการหายอยู่หาคูการซื้อการขายการมีกิจการงานเพื่มได้ เพื่ออาชีพนอกอนั้นแล้วยังต้องการความตึงผู้เรืองอํานาจอีกมันต้องกระทบกระเทือนกันหลายแง่หลายกระถมเหลือประมาณที่จะพนันแต่ถ้าเราพระเรานั้นไม่มีทังนี้สำนักงาสนาหนึ่งถอดหนึ่งถอนสิ่งที่เป็นเชื้อเป็นเหตุที่ให้แสดงความเป็นมา อ, อย่างที่เก่าวเรื่องของโรคนั้น ลราถอนทุกวันทุกประทุกเพื่อการถอนถอนไม่ใช่ทุกเพื่อการสังสมที่จะเพิ่มพูมความทุกข์ขึ้นมาอีกเป็นขั้นที่สองความทุกข์เพราะการสังเวีนระหว่างการบังคับบัญชาจิตใจการกดขี่บังคับวิปราสปราบพิริยะแต่ละประเภ ท, ป เ, ภ ท, ป เ, ภทเป็นความทุกข์ ธรรมดาของผู้จับก้าค้นจากความทุกต้องต่อสู้กับทุกตนเองก็งย่อมได้รู้รับทุกข์บ้างเป็นธรรมดาแต่ทุกข์อันนี้ไม่ใช่ทุกข์เพื่อกิเลสเกิดขึ้นเพิ่มพูมความทุกข์ขึ้นให้เราทุกนี้เป็นไปเพื่อทําเกิดขึ้นเพื่อความสุขใจเราพระพุทธเจ้าก็ทรงทุกข์ให้เห็นเป็นปฏิติตัวอยา่าง มาด้วยดีแล้วไม่น่าสงสัยถ้าพระพุทธเจ้าเมื่อต่อสู้กับทุกจนผ่านพ้นทุกทั้งทุกภายนอกคือกายทั้งทุกภายในคือพระไถยแล้วก็เป็นศาสดร า, าสอนโลกทั้งหลายไม่ได้ม น, นัาสาวุก็เช่นเดียวกันเป็นลำดับลำดาล้วนแล น, น, น, น, น่ตั้งแต่ผูเ้เรย แบกทุกขามทุกต่อสู้กับทุกอย่างสมบุกสมันในการดําเนินเหมือนกันแต่ผลที่จะพึงได้รับของท่านอืงค์นั้นสาเร็จโซดาองค น, นทที่สําเร็จพระสกีตาคาองค์ น, นั้นสาเร็จอนาคาองค์ น, นั้นสาเ ร, าาร็จอรหันอรหันดีที่นั่นที่นั่นสุดท้ายก็สําเร็จอรหันอาราหันไปเลยเมื่อสู้ไม่ถอยความทุกข์จะต้องมีเดิน ตั้งแต่เรื่องนีแห่งงานเพื่อรู้ถอนกิเลสการงานอย่างอื่นไม่ค่อยมีสิ่งต่อสู้แต่การงานเพื่อรู้ถอนกิเลสนี้กิเลสนั้นแลเป็นตัวต่อสู้ทํำดีไม่ดีเราสู้มันไม่ได้และยอมรักคนอุบายั้งมันที่หลอกลวงยึดขับกล่อมเราให้หลับสนิทไปด้วยโดยไม่รู้สึกตัวมีมากต่อมากด้วยเหตุ น, นี้จึงต้องใช้ความทุนิชพิเศษมา ในการประกอบความเพียรในเอียบบทต่างๆนิสติเป็นของสำคัญให้มีอยู่กับตัวเสมอไม่ลึก อ, อยู่กับธรรมบทใดกับอาการใดก็ให้รู้สึกอยู่กับตัวท่านเรียกว่าสัมปัตยัญญานี่ก็เป็นทุกข์อันหนึ่งพระพรมังคับไว้้สติอยู่กับตัวรู้อยู่กับตัว ความรู้มันย้อนเข้ามาสู่ตัวก็รู้สึกตัวสติเป็นเพื่องเหนี่ยวรั้งเหนีรังความรู้ให้ย้อนเข้ามาถ้าสติไม่มีความรู้นะั้นส่งไปข้างนอกตัวก็เหมือนตุ๊กตาไมมความรู้สึกอะไรความรู้สึกอย่านั้นไปอยู่ข้างนอกทั้งหมดความัวอยู่ข้านอกของความรู้สึก นึกคิดต่างๆสำคัญมั่นหมายต่างๆเพราะมันมีสติสสเป็นเครื่องํำกับรักษาหรือถุดลากมาย่อมเป็นอันตรายต่อจิตใจเพราะไปกว้างหาแต่สิ่งที่เป็นพฤษเป็นภัยเข้ามาท่องสารจิตใจของตน อ, อยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าที่เหลือนี้อ่อนแอที่เหลือนี้ขี้เกียจไม่สสมตัวเองคำเหล่านี้ไม่มี แต่ผู้บำเป็นธรรมยอ่ยอมมีอ่อนกำลังเนีแยมีอกำเนีในเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นยี่เหลีไม่มีคำว่าอ่อนจนกว่าวัชพิปันดาภตาความเพี่ยนที่เรามีความแก่ยกล้าขึ้นไปเระดุลแล้วสิ่งที่เป็นข้าตศิลซึ่งกําลังรบกันกันลาห้ามหันมันารณ์นะตอบลน้อยลงไป นี่เ ร, รียกว่ากิเลสอดกำลังการอดกำลังของกิเลสนั้นต่อนด้วยอํานาจของธรรมเป็นเครื่องตกต่อฝ่าโดยลําหนดเจนกระทั่งกิเลสสลายไปด้วยกิเลสตายลงไปจากใจเป็นลําหนดหนความต่อสู้รธรรมก็มีน้อยเจรกระทั่งไม่มี นิเลเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยจิง ท, ที่จะมาเป็นปฏิกริยาต่อจิตใจให้เป็นฆ่าสิษต่อธรรมซึ่งทำกับตนก็เป็นอันเดียวกันเป็นฆ่าสิษต่อตนด้วยนั้นไม่มีเราอยากให้เพื่อนได้รู้ได้เห็นและอยา ก, ยากพบอยากเห็น ตามความมุ่งหมายของเราที่อุส่า์พยายามอบรมสั่งสอนหนุ่มเพื่อนมาเป็นายานานและทุ่มเทกําลังลงทุกท่าเพื่อหนุ่เพื่อนไม่ว่าทําขั้นใดๆ ไ, ไม่เคยมีติดบางลิ้แล้วตลอดวิธีการดําเนินส่วนไหนที่พอจะนํำมาเล่าให้ฟังหรือพูดให้ฟังได้เพื่อเป็นคติต่างๆเพื่อนเราพร้อมเสมอและเคยพูดมาอยู่เสมอกขออยากเด้ เห็นหมู่เพื่อนมีความเข้มแข็งต่อความภาคเพียงเพื่อผลเป็นที่ปืนใหญ่นางทูบ้าฌานทั้งหลายที่ท่านได้รับไปแล้วได้เกิดขึ้นกับตนเพราะความคิดมีความจมโหนกวดขันตัวเองเพราะความเพียง ก, กล้าเพราะสติปัญญาดีตัครองตนจะดูนำหนักต้องการอยากเห็นอย่างนั้นเพราะได้พิจารณาทดสอบมาเป็นนำหนัก น, นํานาตั้งแต่คันเดิมแดดอย่างการปฏิบัติธรรม พอทาเข้าสู่ใจคือความสงบเรียบเด่นก็เห็นคุณค่าขึ้นทันทีแค่หนึ่งว่ามีน้ําหนักมากกว่าความสุขใดที่เคยผ่าน ม, มาแล้วเท่าไห น, นะเพียงขั้นความสงบเท่านั้นมันก็ยังเห็นคุณค่าของตัวเองและเห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่งงานวุ่นายเท่ไหร่มันต้องทำให้มีใจใจขยับความภาคเยันขึ้นไปเรื่อยๆความเด่นความฝึก ความเด่นดวงของจิตก็แสดงเึ้นแห่นห็นชัดๆนี่เด็กก่อนซึ่งไม่เคยเห็นคุณก็ไม่เคยเห็นโทษั้งมันก็เริ่มเห็นไปเวื่อยๆต่างเคยปฏิบัติมาอย่างไรจิตมีความสมบงบเย็นจิตั้องมีสองจเจ็บส่วนมาก 95% ้าสิบห้าเอร์เซ็นจะมีความสมบงบเย็นลงธรรมดา ให้สอนขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้นี่เป็นภาพทั่วไปของผู้ปฏิบัตินรืจะมีจริยนิสัยของคนเราส่วนมากเป็นอย่างนั้น 5% ้า้เ็นั้นมีความผ่าดโถงผิดประเทศนี้อยู่มากถ้ารวมก็รวมอย่างรวดเร็วเหมือนคนตกเหวตกบอก่อลอยลงไปแล้แทนที่จะอยู่กับที่ถอนต่ อ, อมามา <c oughs> เมืงพยานอินเม็ดกินหมอะมือง้ามเมืองสวรรค์ น, นรกอุเบกีอ่งนี้นไปได้มีสองประเภทประเภทนั้นต้องมาใช้ครูอาจารที่มีความจนิงจังทงานช่วยจริงๆไม่นั่นมีทางเสียได้ความประเภทห้าปเซส่วนประเภทเก้าห้าปเซ็ไปได้วยความญาริยศถึมาดธรรมา ไม่ไน่าแหลงแต่เวลาสงบอ้ า, ายปล่อให้สมงบพอถอนขึ้นมาแล้วควรจัการพิจารณาอย่านอนใจการถอนถอนรกิเลสทุกประเภทถอนถอนด้วยปัญญาทั้งนั้นไม่ใช่ถอดถอนด้วยสมาธิสมาธิเป็นเพียงทยํากิเลสให้สงบตัวก็มาเหมือนกับพวมตัวของอกิเลสเ ข, ข้ามาแล้วแต่เราไม่ฆ่ามันก็มันก็ไม่ตาย สมาธิอ่อนเมื่อไรที่เหล็กก็ฟงหรืออารมณ์ที่รุนแรงกว่ากำลังของสมาธิว่าทาสมาธิให้พุ่งได้แต่ถ้าเป็นปัญญาแล้ว <c oughs> จะเข้าใจไปโดยลำหนับพี <c oughs> ่เหล็กค่อยหลุดนอนเลยเป็นวักเป็นตอนเ <c oughs> ลื่ไปนี่คือวิธีที่เหมาะสมอย่างยิ่งการปฏิบัติไม่เนิ่นช้าไม่ติดสมาธิด้วย ซึ่งทำให้เดินชามโนเราพิจารณาทางด้านปัญญาความถนัดแจ่เจนในทางใดตามประดิษนิสัยให้เราถืถอเอาความถนัดทั้งหลายที่จะต้องพิจารณาตามอากาศนั้นๆคือดู่ในวงสัจธรรมอันเดียวกันแล้วก็จะกระจายไปหมดเมื่อเข้าใจอหนึ่งแล้วก็ซึมซาบไปทั่วถึงกันกําหนดดูบังคับใจของเราให้มันอยู่ใน ร่างนี้แหละเวลามทำมันอยู่ในร่างทำมันอยู่จริงๆเอาร่างกายนี้เป็นรั้วเลยจ้ะเอาหนังเป็นรั้วอืมนำขัดจิตแล้วทำมันเที่ยวในหนังข้างนอกหนังข้างในเลาะเรียบรั้วอยู่นี่แลแล้วก็เข้าวงในของรั้วได้แต่ร่างกายส่วนภายในดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกใต้สุดฐานใหม่ฐานตับดูขึ้นไปข้างบนข้างล่า ขวางสถานการ์นี้ตั้งแต่ขวางปฏิกูลโสโครทั้งนั้นถ้าพูดถึงเรื่องอนุภาคหรือปฏิกูลถึงเรื่องถึงเรื่องธาหมือนก็นเต็เมไปด้วยธาตุมันไม่ใช่ธาตุไม่ใช่ของด่าเต็มประเดของปฏิกูลไม่ใช่ของสวยของงามตามความเสดสรนต์ย่อญญของกิเลสซึ่งชอบเสดสรนต์ยญญ่อเพราะกิเลสเป็นตัวปลอมอยู่แล้วอะไรที่จะเข้ากับกิเลสได้สิ่งนั้นต้องปลอม ความสวยงามนี่ก็คือของเปล่าไม่ใช่ ต, ตรงตามของจริงความจริงอย่างแท้จริงแล้วสวยงามที่ไหนร่างกายของเราสว่วนมีส่วนไหนที่สวยงามนะท่านทราบมันไม่มีมีแต่ที่ เ, เรนมันพาเศษสันจิ้งปีนเดียวกับธรรมของพระโพธิญาณจึงเป็นความจริงแล้วผลก็คือทําตัวให้ทุกข์ที่ น, นั่นแหละการพิจารณา ยิ่งต้องบังคับผิดให้ยั่งไปตามอริยวัวตรต่างๆซึ่งเป็นความจริงจริง อ, อยูล้วทั้งด้านอริยภารทั้งท้านาดึงทั้งดานธาตุด้านอนิจจังทุกขังอนัตตาตามแต่ความเข้าใจแต่อรุยภาร ก, ก็เอาพิจารณาออกจากอริยภารแล้วกระลุ่เป็นภาตุมันนับเป็นตัวมันเองเไปแยกไปในใจรักใดก็ได้นิจังหรือทุกขังอนัตตาหรือทั้งสามมันก็วิ่งถึงกัน เรียกว่าการพิจารณาด้านปัญญาก <c oughs> าพิจารณานี้ทำใหนมีความดู ด, ดื่มที่จะต้องพิจารณาภายนอกว่าเป็นเครื่องประกอบเทียบเทียมกันจะเป็นร่างใดรูปแบบก็ตาม <c oughs> ก็มาพิจารณาแบบเดียวกันนี้ได้สัดสว่วนทั่ทานคงนวณคาไหนแล้วจะหลงไปไหนอีกข้างนอกก็เหมือนกันกับอันนี้ข้างนี้ก็เหมือนกับคำาำนอกหลงไปไหนงงเงาไปไหนมันก็สงบตัวข้างในมันเอง ความความมาเผยกำลังมมันเบาลงไปความละเมอเพผยฝนฝันไปในความเผยพลังงานที่เผยตัวมามันก็ระงับลงไปเรื่อยๆพิจารณาันท่ามสักๆจนเต็มที่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนหายสงสัยไม่มีที่นี่รับเลยการถอนความยึด ม, มั่นสาคัญถึกอันเป็นตัวจําำลอง น, นั้นมันก็ถอนเข้ามาเองด้วยอำ น, นาจแห่งปัญญา ที่พิจารณาเห็นแจ้งพัดเสห็นแล้วนะนีะ่ไป ญ, ญาพิจารณาทางด้านปัญญาพอสมควรจิตมีความเมื่อยลา้าหนักหน่วงกันทอดจิตทํางานการพิจารณาทางด้านปัญญาก็คืองานของจิตงานขุ่นเสี ย, ยขุดค้นที่นี้พิจารณาเหมือนกับทั้งฟาดทั้งฟันทั้งขุดทั้งแบบทั้งหาเหมือนนี่ก็งานของจิต เวาทำไปนานๆมั น, ห น, ม น, น, ห น, นเนหนื่อยเหมือนกันเ ห, หนื่อยทางไใใหแล้วก็เหนื่อยท่าผ่านนี้ด้วยเหนื่อยหลอกหัวใจเหนื่อยร่างกายให้เหนื่อยไป่จิตใจนีเฉยอ่าข้าวพักสมาธิกําหนดทํา บ, บทใดบทหนึ่งเท่านั้นเวลาต้องการจะข้าวพาักให้จิตอยู่ในบทแห่งทำบทนั้นไม่สนใจกับ อันใดนอกเหนื อ, นอนประจักบทบรรทที่จะนำมาบริกรรมเพื่อเป็นเครื่องยึ ด, ดที่เกาะของจิตให้รวมกระแสเข้ามาสู่จุดเดียวแล้วก็สองบตัวลงไปทำบริกรรมนั้นก็หมดปัญหาไปเพราะจิตทรงตัวได้แล้วความรู้อันเด่นและสงบตัวอยู่ตามตกติของผู้มีจิตสงบหรือจิตตัวมีกำลังแล้วถอยออกไปอีกเหมือนกันแต่อย่าไปคาดหมายเวลาที่จะมา จะให้เป็นอย่างนั้นจะให้เป็นอย่างนี้นเพียงคากไม่ต้นแล้วให้จับงานวงปัจจุบันจะให้เพื่นคาดทิศงานเรื่อยๆมีวิธีการที่จะทำอันนี้พูดเพียงเป็นแถวเป็นแนวไม่สำหรับพูดปฏิบัติได้ยึดเอาแงไหนคอยาตามไปปฏิบัติต่อตอนเองโดยจะดิบวิสัยของตอนเองอากรู้เห็นขึ้นมาก็ให้เป็นสมบัติของตอนเอง อุบายวิธีการพิจารณาจเป็นอุบายของตัวเองโดยอาศัยอุบายกันหยิบยื่นให้เพียงเงื่อนสองเนื่อนเท่านั้นเราไปตีแผ่กระจายไปเป็นเรื่องของเราเป็นิตรีนิสัยเป็นความเสลี่ยหลป์ของเราเองพิจนาไม่มีสิ้นสุดเรื่องตัางหากถ้าพิเรศไม่สิ้นสุดไม่หมดระเสียมาอุบายของปัญญาที่จะตามพ้นสิท ที่จะเกิดขึ้นเพื่อแก้ที่เดที่เพื่อทำลายที่เดือดนี้จะมีไปเดยตลอดต่างๆถ้าถึงขั้นที่ปัญญามนมมติแล้วนั้นเราไม่ต้องพูดเรื่องที่จะผลักใส่ปัญญาไปให้ทํางานนอกจากจะได้ล้างเอาไวา้ข้อหนึ่กลือเป็นเกลียวนี่ยติดเหนื่อยติดเหนื่อยร่างกายก็เพียร์ก็ไม่ได้หลับไม่นอน ไม่พอใจในการนอนแต่พอใจในการฝึกการค้นตัดฟันพิเรกประเภทต่างๆอยูแล้ว เ, เพื่อความรู้แจ้งเห็นชินโดยไถ่ยเยอะเท่าไหรนี่เราก็ต้องเลยหากห้ามติดไม่เลยเถิดไม่เลยความผ่อนร่างกายทํางานก็นความโดดเหนื่อยต้องพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารให้เป็นกําลังของการเพื่อควรแกดการงานอีกต่อไปเมื่อมีความ อ่อนเพียเพราะการพิจารณาค้ น, นคนวา้าด้วยทางปัญญามากก็ต้องเหนื่อยแล้วต้องพักพัก ข, ของความการพัก ข, ของจิตนั้นพักด้วยสมาธิภาว น, นาจิตสงบนี่คือทางถูกต้องแลนจะเป็นไปเพราะความร่าเรือยเห็นยาก พบอยากเห็นอยากได้ยินมือเพื่อนแสดงผลทห่งการปฏิบัติโดยซับและมอเพื่อ น, น, น, นอยากให้หมืเพื่อนรู้เห็นสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ว่าอยู่ที่ไหนใครจะเป็นผู้รู้ใครจะเป็นผู้พิจาราใครจะเป็นผู้ตัดฟันที่เลียนที่เลี่ยนอยู่กับผู้ใดว่าคำว่ากี่เลียนดับไปดับไปได้ด้วยเหตุผลคกลไกดับไปอย่างไร นับด้วยวิธีการอันใดให้รู้ประจักษ์ตัวเองตัวเองเอาเองดีกว่าผู้บาปผู้พูดเป็นไหนหนักมันเป็นภาพปฏิบัติของตัวเองอย่าไปสนใจสอบเทียมโลกโลกสงสารมันเป็นเรื่องของที่เหลือทั้งหมดที่เหลือนี้เคยสอบความทุกข์ความทรมานให้เรามามากต่อมากนานแสนนานแล้วไม่น่าสงสัย ว่าเราจะได้มีดีมีความสุขความจเจริญเพราะพิเรสฉุดลากไปยึดเพราะความเชื่อตามพิเรสพึงคำนึงถึงพระพุทธเจ้าซึ่งแต่ก่อนก็เป็นครั้งพิเรสเหมือนสัตว์โลก ท, ทั่วไปผลที่จะคุณได้รับจากพิเรศที่ผิดขึ้นคืออะไรบ้างพระองค์ก็ทรงสัมผัสรับรู้มาโดยล ำ, ลำดับลาดหากจะทดสอบ เพราะเรื่องของกิเลสนะพระพุทธเจา้าก็ไม่ทรงสแสวงหาโมฆะธรรมเพื่อแดนพ้นจากกิเลสและเป็นความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นมาจะต้องมั่วสุมอยู่กับโลกเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่ ว, วไปพืนอนำขปิของพระองค์มาพิจารณาเทียม เ, เป็นคติเตือนใจตัวเอง เป็นมานมีใครก็ไม่มีสงสัยแล้วในเรื่องของกิเลสในว่าความโลภในว่าความโกรธหรืคอความหลงราคาตัณหามันแสดงผลออกมาอย่างไรบ้างพอทราบเพราะเคยกันมาหนมหนาอันนี้เป็นสิ่งที่จําเจเหลือเกินอยู่กับจิตใจฟังอยู่กับใจเป็นประจําไม่มีเวลา พ, พัดพลาดจากอันเลยแม้ขณะหลับก็เป็นเพียงที่เลสสงบตัวเท่าม น, น ไม่ออกทํางานเราหลับี่เหลียส ก, ก็ก็สงบตัวพอเราตื่นที่เหลสก็ตื่นหรือเราจะเรียกว่าเราหลับในขณะที่เราหลับี่เหลสก็หลับไม่แสดงตัวหลับชนิดนั่นคือที่เหลสก็หลับชนิดนอนหลับหรือเราแยกไปจาว่าความสงบของที่เหลสในขณะที่หลับสนิทเพราที่เหลียสหลับชนิดก็ได้ พอเาตื่นกิเลสก็เริ่มตืนแลเมื่อตื่นแล้วกิเลสจะเริ่มออกตามถวายออกเกี่ยวหากินงฟันหาเกี่ยวหากว่านอาหารในที่ต่างๆออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายคุณคิดอยู่ภายในจิตใจเป็นธรรมารุ่นนี้นตั้งแต่กิเลสทํางานของ ม, มันเป็นปกติของสามัญชน เหมือนกันหมดไม่มีข้อยกเว้นถ้าไม่ได้จิตไม่บริสุทธิ์จะกราบไดเวลาจะไม่เห็นความอิสระของจิตกลาบมาโรงงานของกิเล็ทั้งมวลก็คือจิตทำงานอยู่ที่นั้นทางออกเข้าของกิเล็กก็คือตาหงษจะป็นลิ้นกาจั๊ ตาหูจมูกยืมกายใจถึงที่ทํางานในขณะเดียวกันเราพยายามเอาตาหูจมูกยืมกายใจหนอนให้เป็นทางเดินของธรรมให้เป็นที่ถดอัดถดทำถึดมะ ข, ขุ่นผ่านขึ้นนังที่เราปฏิบัติธรรมอย่านี้เรียกว่าเราจะเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ทํางานภายใ น, นเปลี่ยนพูด ออกแสดงหาอะไรได้ภายนอกทาตาเห็นเปหนึ่งรื่กนกายทออกอเห็นอะไรพิจารณาเป็นธรรมได้ยินสิ่งใดพิจารณาให้เป็นธรรมเพื่อการผ่อดถันตัวเองเท่าเมืหไหนี่เรียกว่าทําออกทํางานผลที่ทําออกทํางานก็เป็นความสุขเยเลตออกทางานเป็นความสุขว่านอะไรเข้ามามีแต่ยาทิษทั้งหลานเท้าโดนพิ เขาลงจิตใจให้เกิดความเดืนอนไม่มีเวลามือลาไม่มเข้ า, าสายบ่ายเนไม่เลือกชาติชั้นบรรณฐานะใดๆเท้านั้นที่เด็กต้องเหยียบย่ำทำลายมานะเหมือนกันหมะเราพยายามเปลี่ยนสถานที่ทํา ง, งานก็คือจิตตรงนั้นแหละแต่ผู้ทํา ง, งานภายในจิตให้เป็นธรรออกท า, ทาตาหูษ์จมูกลิ้นการก็เห็นอาการของเสต็ ของปัญญาอิจออกไปถึงไหนสติปัญญาตามต้อนตามพิจารณาให้รู้เหตุรู้ผลเรียกว่าเปลี่ยนผู้ทำงานภายในเปลี่ยนผู้ที่ออกเดินางานภายนอกเป็นทำไปทั้งหมดด้วยความนมกก้อมน้อวลงทุกข์ก็ยอมรับย่าเอาคำว่าทุกข์มาเป็นอารมณ์ เรื่องจิตฝังจิตใจจะทําให้พ่อแค้อ่อนแงซึ่งเป็นเรื่องอุบ้ายคนมายาของอีหลอกยพูดทําทแล้วไม่อ่อ น, นถ้าทําแล้วต้องมีดํามเนินต่างๆทำไปเลยแล้วหาเหตผลไม่ได้พ่อมันไม่ชอบผลทุนไม่เคยสนใจต่อผลทุนเป็นไปตามความดับความต้องการของผลเท่านั้น เป็ น, นสิ่งที่กิเลสต้องการนึกเป็นทางเดินเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นอวัยวะทีวิจิตใจของมันถ้าเราจะพูดอย่างนี้ก็อนพูดได้ไว่าโกดว่าแส้ของกิเลสประเภทใดนันเหมือนกันนี่หมอแล้วเราจะสงสัยที่ไหนโลก น, น, น, น, นี้นเาาที่อพิจารณาที่ไหนไ่มหัวใจใดก็เหมือนธาดุขาณ์อันใดกิ่วอำนาจของกิเลสถุดขึ้นมาเป็นนิบัต เป็นรูปเป็นการรนเป็นหญิงเป็นะก็ถือขึ้นมาจากทพิริยกเป็นตัวเห่นนุมันมีวิบักิมีชั่วติดตามมาด้วยก็มีทนที่มีความทุกข์ร่งของทุกเรือนของทุกจะ้อนอกรับออกจากกายด้าจริงบ้านเรือนตึกห้างต่างไม่ใช่ที่ดีของทุกนบ้านเรือนคือร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของทุกสิ่งทุกอย่ ทุกปีตรงนี้ทุกสัตว์ทุกส่วนไม่เว้นนอกจากถมกันนั่นแหตัดออกมันก็ไม่เจ็บนอกนั้นมันเจ็บหมดแม้แต่เล็บ ม, ม, ม, ม, มือมันยังเจ็บถ้าส่วนไหนมันตายไปแล้วมันก็ไม่เจ็บเท็บมือเลยนี่จังหวะเรือนความทุกข์ทั้งหลายเลี้ยวกองทุกข์ขันทะแปลว่าหมดถ้าจะแปลเป็นความสวยงาม แต่เพื่อเอาความจริงความจังเพื่อรู้เหตุหรือผลเพื่อรื้ถอนกินเลเพื่อเห็นเหตุเห็นผลแห่งความทุกข์จริงแล้วก็เรียกว่าขันธ์พระเลวะกองกองอะไรกองทุกข์หนะ อ, อะไรมันกับทุกข์เดียกันรูปปังกับทุกข์ขันอนิจจังนสตาเวทนากับขันธ์อนิจจังสติเหมือนกันทั้งยาทั้งขางนธยิ่งยานอนิจจังทุกขังนสตาเหมือนกันมันจะไม่เรียกว่ากองทุกข์ได้หรือ นี่ห้ามันก็มีใช่ไหตัวใจมันก็เป็นเดือนของทุกข์ถ้าส ต, ติปัญญาไม่สามารถที่จะชักล้างขับไล่กองทุกข์อันเป็นผลของกิเลสผิดขึ้นมาให้หมดไปแล้วใจก็คือกองทุกข์อยู่โดยดีตลอดกาลไหนๆใจจะไม่พ้นจากกองทุกข์ใจจะหาความสะอาดหมดจดหรือบริสุทธิ์ไม่ได้ ถ้าไม่ไละการทำละศาสนรการซักข้อความช่วยเหลือจากแต่ของคือาาสติปัญญาเราจะหาทางพ้นทุกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้รับผิดชอบเราเมื่อทราบแล้วด้วยเหตุผลอย่างท่าจนี้เราจะรอได้ังงจะมาปล่อยแต่ที่เหียดมักง่ายได้ยังไงจะพ้นเราก็ต้องพยายามแหวกไหวให้ จนกระทั่งชีวิตขาไม่ตายก็ตายด้วยความแหลบว่าไม่ตายให้พ้นถึงฝั่งแห่งความหยุดพ้นถึงฝั่งของนิษฐานสมความเป็นลุกศิษย์ตถาคตไม่สงสัยในเรื่องโลกนี้ซึ่งเป็นแดนแห่งต่าช้าความเกิดตายเต็มไปหมดอยู่สถานที่ใดถ้าลงมีแดนแหนึ่ง ความเกิดแก่จะตายอยู่แล้วเราจะวังความสุขที่จะเป็นที่ขึ้นใจความพลาดทะเลความดาวไม่ใช่ความจริดความรู้ประจักษ์แจ้งในธรรมทั้งหลายทั้งอนิจจังทั้งขุขุขขังทั้งอนัตตาข้อพระคาถกนี้เป็นความจริงเราไม่สงสัยเมือ่อคิดนาทุงขนาดนี้หาสงสัยแล้วก็ถนัดสนุกที่จะประกอบความภักเกียร สนุกที่จะฟาดฟันันแหลกกระเพรียงไม่คิดชีวิตจิตใจจะเป็นจะตายร้ายดีกับกันขอให้บุดพ้นเท่านั้นนี่เมื่อประมวลกำลังมาจากการพิจารณาโดยทางปัญญาแบบท่าเปนได้อย่างนี้นกิจต้องมีกำลังกาลังใดจะ เ, เหนือกำลังของจิตไม่ในโลกแนี้กำลังของจิตเป็นสัมผัส กำลังใดความเฉลียวฉลาดใดเจ้าหนือปัญญาก็ไม่มเหมือนกันต้องพยายามคิดให้เกิดขึ้นเองขึ้นยาอ่อนแช่อยู่ยาบทใดจะขบจะชันกับปัจจัยชนิดใดอยู่ก็ได้อย่าลืมการทำงานของตดอย่าลืมตัวอันนี้็ติกับตัวเสมอ ลิ้นก็ไม่ดิบไม่ดิ้นท้องก็ไม่ใหญ่ไม่โต เ, เกินมนุษย์มนานนเพราะท้องมีธรรมท้องมีผู้กำกับลิ้นปากมีสติปัญญาคอยกำกับจะเป็นลิ้นปากที่เหมาะสมกับการเลี้ยงที่องผลเหมาะสมกับเป็นที่ทำงานเพื่อร่างกายและความเป็นและ เพื่อการบำเพ็ญทำด้วยความสุบสบายโดยไม่มีกิเลสัญหาประเทศใดๆเข้าแทรกถึงในขนาดนั้นๆได้เลย น, น, บบ น, นี่ความมีคติมีปัญญาเป็นอย่างนี้การพิจารณาทุกซอบทุกมูจึงนันว่าเป็นผู้หาความฉลาดไม่เช่นนั้นจะเอาตัวไปไม่รนอดนความสลาดต้องขึ้นอยู่กับความชอบคิดพิจารณาใจกลย้อนหน้าย้อนหลัง คลิกแทนเจลี่นยนแปลงหลายสันหลายขบเช่นเดียวกับกิเลสมันเป็นตัวพลิกแพงเปลีป่ยนแปลงหลายสันพันในเราตัติปัญญาก็ต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้เสวยความสุขตามหลักธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้จากพระไตรกลมพระพุทธเจ้าที่ทรงมุ่งหวังประโยู่สัตว์โลกและรับความสุข เจริญทางด้านจิตใจอันเป็นสําคัญกว่าเลยโดยทั่วกันจนกระทั่งถึงหลุดพ้นจากทุกโดยสิ้นเชิงถึงความสุขอันสมบูรณ์เราเป็นุสิตตถาบทก็อ่านถึงดําเลยถึงเยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักใหญ่อยู่ภายในจิตใจ ย, ยิ่งกว่าที่เลสที่มันแอกแฝงภในจิตใจแล้วเป็นใหญ่เบียบย่ำทำลายเลยทีสําคเวลาเรี ย, ย, าา ย, ยนยยถือก็เป็นอย่างนั้น ที่เวลามาออกต่ อ, อกปฏิบัติอย่างีอันนี้มันยิ่งไปใหญ่เพราะความเชื่อมั่นในตัวเองต่อพระโขนิพันธ์มันเชื่อฝังลงไปางามากแล้วก็นั่นใจและอ่านประวัติของพระพุทธเจ้าและประวัติของสาวกจนถเลแม้พระโข น, นิพานอยู่ที่นั่นที่นี้จิตมันขยับพอมันขยับเป็นปัญหาแต่ยังไงเราก็ต้องเรียนกระป๋อมันมันจิตัน มันมีอะไรอยู่กับกัรเรียนอา ะ, อะมีอนับตรงนี้พองคักไว้ว่าไม่ได้แค่ประโยคสามแล้วออกแล้วทำได้แค่ไหนก็ตามสำคัญเพราะการที่จะสอบเพลียนสามประโยคนักทรทีต้อง้านละด้านสองทาให้สามจะสองลาโพงก็ต้องได้เพราะจะใช่ละจะจสองประโยคสี่ก็ต้องได้ลโพแล้วสี่ห้าห น้ำทำโพได้แค่นั้นสอบรเรียนเก็บประโยคน์แปดเก 8, 9, ้าก็ต้องม้ำทำเองมันมีคนทำแต่เร า, ม า, ารไม่น่าสนใจด้านสอบรเรียนก็ตกเรื่อยสารนักธรรมก่วคนตายมันก็ได้เรื่อยทำได้มาลาสุทธิ์ท่าก็ได้ทั้งเอกดทั้งประโยคก็คุ้มกันพราเราตกกิงตกทั้งนักธรรมตกทั้งบารี ตกทั้งสองเลยแต่ก็ไม่เสียใจเพราะว่าภูมิของตัวของไม่ไปอยดีเวลาทำบทก็ปีเดียวก็ไปสอบเขาครูให้สอบถึงแม้เระเดินประโยชน์ได้แล้งสอบไม่ได้ครับไม่เสียใจนักทําโทรก็ไม่เสียใจเพภูมิไม่เต็มปีที่สองมันี่พูมิเต็มเวลาควรใจของนักทําโท ร, ทรก็เต็มประโยคก็เต็มสอบเร้่อได้แล้วโทรทางด้านอันนั้นอีกนะ ประโยคตกเสียกันมากสอบปีหลังมันถึงได้พระทั้งประโยคทั้งทำอีกสอบควกันทั้งเีสอบปีเดียวไดทังทำโสองปีประโยคนี่สอบทั้งสามปทั้งเรียนรวมกันแล้วสี่เรียนเอาทิมาจกากหลักลีผมข่อมได้เหมือนปฏิโมกข่องทุกเล่มเลยเอากินขนาดอ่าครูจะถามนีมา กดทวงเพื่อน ใ, ใจแล้วมัยล่ะดูก็ะวันี้ติดมันสังแล้วนั่นเป็นพรารมีพอจะพอจะออก น, นั้นต้งมีมารอันหนึ่ยังไงก็ไม่รู้จะออกจริงจริงนั้นนี่พระสารทุกวันนี้จะดงมีอยู่ไหมนะั่นมาผลนิพพานหากว่าผลนิพพานมันมีอยู่ทําลงไปผลเป็นที่ ตอบรับเป็นที่พึงใจแล้วยังไงก็จะาตายเขาว่างะลยจะทำไง น, น้ใครจะมาเก้เรือมรรคผลนิพัานถ้าเรียนถือมันเป็นสงสัยนนเรียนธรรมะธรรมะคือตลาดขมรรคผลนิพพานอย่างเงยแต่มันก็สงสัยนนตัดสินใจยังว่าอ่ะครูบ า, าอาจารย์องค์ใดสามารถสอนธรรมะเราให้ ถึงเหตุถึงผลเกี่ยวกับเมื่อผลผ่านไปที่ลงใจแล้วเราจะมอบกายไว้ตัวต่อที่วัดแต่แล้วสุดท้ายเราถามท่านจันทบ้านอย่างว่าออกตั้งออกหน้าตั้งหน้าออกอย่านั้นเนี่ยในหลังอะไรแล้วถึงออกเพื่อความพ้นทุกอย่างไปถึงท่านปัาหาที่เราคิดในใจทั้งหมดมันไปอยู่ในท่านหมดแล้วแล้วท่านบอดต้อนเข้ามาไว้ในใจทัานหมดพอเราไปถึงนี่กรใส่ผางเลยโอ้โหเหมือนเราไปบอกว่าท่านหมดแล้ว นี่หน้านี่หน้านี่หน้าสงสัยไปไหนอืเราอยู่กับมรรคเราอยู่กับผลอืเราอยู่กับที่เรืร่องปัญหาเรืร่อัญหากับมรรคกับผลอยูด่ด้วยกันดีใจตรงเดียวกันถ้าจะทําอยู่ตรงเดียวกันเอาเลยเขหยับลงขยัดลงเอาแก้ที่เรืร่องกันได้ไม่ต้องถามองคน์นิพาพานผ่านมันลงไปหุ่นเด็ดเผ็ดร้อนตังตังตังมจีนมันก็ถึงก็ศเลยอาที่นี่หายสงสัยเอาละหิ่ง ย้อนหาเรืองของที่กินไหมที่นู่นต้องกินไม่กินไม่ได้นานมันรับเป็นขนาดนั้นเราหาความกินอย่างนี้ก็แค่นึ่นนี่มาเจอความกินแล้วต้องกินไม่กินไม่ได้เอาตายก็ตายไปตั้งแนบบนี้ต่อไปนั่นแหละที่ผมมันหนักจริงตั้งแต่บัดนั้นเลยเรื่องของเพียรหม่เพรว่าย้อนหลังที่จะอนหลังอุ้งกัวนะกลัวเจ้าของ หนุนเดืยวเดืเดืหนุนแกกินอ่งเวลาเราจิมาจังพอจิตลงไปทาไมต้อตงจอยู่เรื่อนังสืออยู่มันก็ไม่เห็นเปถ้าเวลาออกไปปฏิบัตินั่นะตอนที่ออาจางน้นมันจะเป็นมาระอยังไได้ยินแตผู้หญิงก็ไม่ได้นะทำไมเรื่องของราคากา น, นงงมันแยบทันทีจริงๆจนเรางงเลย อาคุณคนมาตั้งใจบำเปฏิบัติทำไม่เคยสนใจกับผู้หญิงเลยทำไมเพียงได้ยินเสียงผู้หญิงเท่านั้นมันก็แยกแต่มันไม่เนี่ยมันแยกผ่านในจิตตาน่ะมันแยกๆมันแยกที่มันชอบคนวะทําไมมันเป็นอย่างนี่วะก็ยินให้เขาหยับข่ะแต่เวลาพิารณาทีหลังไม่ใช่คือเรามีสติสัดตังมั่งเวลามันแยกต่ามันรู้มันรู้ได้ง่าคุณยังไงเขาได้ ไม่ใช่เวลาเป็นเมื่อมันกลับกำเริกขึ้นก็ไม่ใช่เวลามันผ่านไปมน้อ๋อแต่ก่อนจิตขงเรามันมืดมันดำมันมื้เร่อยๆเามันเหมือนหลังมีนี่แล้วมันจะไปอะไรสีขาวอะไรละสีขาวสีด่างสีอะไรมันเป็นหลังมีทั้งหมมีพอแวงผ่านไปแล้วคราะวรู้เวลาจิตมันเบเข้ามันรู้ได้เร็วมันเปเหมือนก็ว่ามันแสดงที่เหยขึ้นมาอย่างรวดเร็ว มันคงยาทนั้นแหะเพราะให้รู้ไม่เลยจากนั้นอะ่ะมันเรื่องนอึ่งอย่างอย่างทุกวันมันไม่ได้หนึ่งสุขภาพร่างกายมันไม่อำนวยกำลังวังชามัานมีแก่พะยุมันอยู่ขนาด น, น, น, นี้มันี้คอยไปแตลมทุกวันมันจะฉันอะไรแล้วมันจบำรุงนะ มันก็ไม่ได้เรื่องเดยมันคอยจะไปล้มลงอยู่เรื่อยท่าลมทัดล้มเนี่ยคืนท่านอนความจะไปบำรุงมันได้เหรือที่จะกดหัวมันลงเรื่อยเนี่ยมันหนักหน้ามันหนักโอทหานหนักเป็นท้องเสียเป็นนิการะของไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้มันไม่เห็นผลประจักษ์ทํอย่างั้นมันดีเรืย หนึ่งหนักกันเอากันอย่างหนักอย่างหนักเลื่อยเลื่อยมาเลยแต่มันก็มเผยตัวมาติดสมาธิอีนี่ก็ตั้งหาปีมาห้าปีนะผมสมาธิเอาอว้โกหกยากว่า ง, งั้นเลยมันอาถารพ์จริงเรองมาธิเพราะนมาโกหกยากเหลือเกินโกหกเราเล่อมาทีเป็นยังไงมันคือมันท่อสองมันขนาดนั้นลงเมื่อไหร่ก็นหน้นี่ ขนานั่ น, นะแต่ึ่งต่กอมันลงได้เมื่อไรเวลามันจำนานแํามันพอโ อ, นนน อ, นอ้นั่งกําหนดปบีเอื่อยเอื่อยน่ะแต่ก่อมันทาไม่ได้จึงเรียกว่าันทํหนาเนาะมัเข้าไปดูเนี่ยอย่งเชี้ยถูกพอแม่ครูอาจารย์ท่านหนามันถึงได้ออกฟอออกต้เลิเลยท่านรู้มันไม่พอดีคนนีสแลแล้ส่ยเรา มันน่าเป็นยาลืมวันลืมคืนลืมห ล, ล, ลับลืมนอนเลยนอนก็ไม่หลับขึ้นาหลวงสุภาพรุพังเนีมันทำนานจีิงนะเื่งไม่ว่าอะไรฝึกมันทำนานตังนานดูครับต่อยมวยกันสิเขาฝึกบางต้งเขาฝึกกับอะไรเตะลมเตะเแรงหเตะกระสอบทรายกระสอบ ต่อไขึ้นเตะคนป่อคนมาสิหไม่ทำานเข้ามันก็เป็นชมเปี้ยนได้นี่ก็เหมือนกันฝึกเข้าฝึกเข้าสมาธิก็ทำงานเป็นแฉมเป็นแฉสมาธิขั้นปัญญามก็ทำานเข้าเป็นแิมขั้นปัญญาคือความลงใจนี่เรื่องพระผลิ่านลงจริงถึงใจจริง ไม่สนใจมิใชจะเอาให้รู้นั่นคือมันทั้งกาลังของกลิ่นทั้งนูเนอะไม่ ม, มีปานีปาจีกของเลย<ช>แต่ก็สมเหเห็มผลนันคือร่างกายตานนั้นมันกระสมท้องต้องดกดมันไว้นั่นร่างการมันมีกำลังต้องกดมันไว้ด้วยการอดอาหารนอกจากก็กดมันไม่อการอดอาหารแล้วยังเพื่อการบำ <ừ. S 1> เพ็ญธรรมสะดกด้วยการอดอาหารมีหลักประกัน เราเห็นประจักษ์มาตัวหนึ่งอดหานภาวนาสะดวกสบายคร่องตัว <c oughs> ใจนั้นก็เอาเอาการใจเอาการออางานใจเอาจิตกำลังของใจเนี่ยมันพาให้ธาตุขันล่มไปตามเลยมันต้องหมุนไปตามมันไม่ไม่หมุนไม่ได้ความมุ่ง ม, มั่นมันรุนแรง ทุกยากลำบากแค่ไหนวะไม่สนใจมิตรจะเอาให้ง่ายเอาให้ง่ายนี่แหละความมุ่งมั่นมีพลังมากความเพียรก็ต้องเป็นประการหมดสำคัญความต้องการความอยากได้ความอยากรูอกก้อยากเห็นมีกําลังมากอะไรนั่นแหละเป็นเครื่องประกาศให้ทราบชัดเจนว่ า, าความเพียรจะต้องเป็นประการนโดยไม่ต้องสงสัยเรื่องนี้เราเองมันอยู่ที่ใหตุไม่ได้เพราะมันอยากอืม อ่าแล้วเป็นเงี้ยความอยากความมุ่งมั่นถึงมันจะมาเตี้ยอะไรทุกวันนี้แล้วร่างกายมันก็หมดกําลังของหมัมันจะทําอย่างนั้นได้ยังไงมันเป็นคนในโลกแล้วมันควรจะจะล้มอยู่แล้วพยุงกันนานนี่ก็เยอะแต่ล้มอันจุดสําคัญก็คือว่าใจความมุ่งมั่นอย่างนั้นมันก็ไม่มีมันหมดไปเลยทีเดียวมันหมดจริงๆเขาบอกว่าหมดความมุ่งมั่นผลมรรคนลพานมันเป็นอรหันต์ละหันมันก็หมด แล้วหมดด้วยชื่นเชิงด้วยไม่ใช่หมดธรรมดาหมดแตหายรวงสัยไปเลยแล้วเราจะเอาอะไรจะหนู้าอะไรอีกนั่นคือความเพียรเพื่ออะไรอืมุ่งมั่นนเพื่ออะไรเนี่ยมันก็ไม่มีสมมติว่าเราไปทําอย่างนั้นโอ้ไม่ได้ตายก่อนยังไม่ทำยังไม่ทําลงมือทำมันตัตายก่อนมันไปเต็มเหนี่ยวของมันแล้วมันก็หยุดึกเลย สติปัญญาที่มันหนุนเป็นธรรมจกักรไม่มีวันมีคืนเล่ลเนตลกเท่านั้นมันก็มีดับเครื่องมันเป๊ะลงไปข้าง่เหมือ น, นเ้าปิดเครื่องทำงานโรงงานเขาหยุดเป๊ะเครื่องก็หยุดมอันนี้มันก็หยุดเป๊ะข้าน่งหมดไปเป็นคนละคนกันเกิดวาส ห, หาสติมหาปัญญา หยดเพื่กินไปไหนเพราะอันนั้นมันหมุนเพื่อจะทำลายมันไม่มีอะไรทลายหมดปัญหามันม่อนั้นเหมือนความเพียป็อย่างว่ากทำนันเป็นความเหมาะสมอยู่ของเองถ้ว่าจะอยาบุใดการทำความเพียอย่างนั้นก็เป็นความเหมาะสมก็แต่ของเอง มันะเการเพื่อการบังคับบังฟเหมืนมนอนแต่ก่อนนี่ไม่ไดบังคับเดิยเล่นกุมือแล้วก็เดินนั่งกแล้วก็นั่งตามความเหมาะจิตใจธาตกันของ่ราต้องการเ ม, มื่อไงก็ทํา <c oughs> ไม่ได้ทําดยการกดีับังคับหรือทำโดยความมุ่งมั่นอะไรนั่นจิตใจตรงนี้อะไรไ ดีดีพอที่ใช้เอ๊ะทำไมไปนี่นี่นี่เราจะเห็นคุณค่าของของธรรมธรรมที่ครองใจเต็นที่แล้วมีคุณค่ามหาศาลประมาณไม่ได้เลยณขณะเดียวกันก็เห็นโทษของที่ที่มันเคยครองหัวใจมาเยียบย่ำทําลายจิตใจรับความบอกทำมาจิกัดจิกกันแล้วเหม็นดั่งเต็มหัวใจเหมือนกันคํามเห็เหเหโทษ ของกองทุกข์ที่พิเรนต์ขึ้นมาความคุณของธรรมที่ฝ่ายมากรุคขึ้นมาเป็นผลแห่งธรรมอันเป็นที่พึงใจมันก็เห็นอย่างถึงใจเรื่องกันทั้งสองอย่างอยนั้นจะอาอะไรมาสงสัยที่นี่อย่สงสัยอะไรเอาอะไรมาสงสั ย, ย, สส ย, ออสสยทุกสิ่งที่อยากจะมองด้วยตาเนื้อนี้ก็เห็นนี่นี่นี่ น, น, น รู้เสียงผิวสัมผัสมันมีมาตั้งแต่นั่งเดิมเราไปสำคัญมันหมายเมื่อเวลาไปเจอก็เห็นเห็นได้ยินอะไรมาสัมผัสมันก็จิตนั้นอ่ะมันตึงขึ้นหลากรอเองอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีอันนั้นสวยนี่ไม่สวยอันนันน่ารักอันนี้น่าจางนี้จะเป็นเรื่องของขันไปหลอกจริงๆนะนั้นมันอยู่ตามธรรมชาติัองนั้นมันไม่รู้ความหมายมันโดยซ้ำไปจิตจะเจ้าตัวหลอกตัวหลอนมันล้อเหมือนอ่ะพี่เลยพาหลอก หลวงมันไม่เคยเห็นโทษแห่งความว่าพลาดของตัวเองเลยปฏิปัญญาเท่านั้นจะเห็นโทษแห่งความวาพลาดของตัวเองตามี่เดชธทรมมันปรุงขึ้นมาแบบนั้นอย่านี้มันทันกันทันกันหรือหลอกแบบไหนเอาพภาพทันกันทันยิดีอยากที่ว่าเสืออย่างนี้นี่เสือมันปุงแคบมาเป็นภาพเสือภาพดับทุบหนีเสือตัวเนี้ยเนี่ยเสือตัวตั้งขานนี่ตั้งหางนี่แหนมันดูเสืะสมมุติว่าสวย เมื่อเรามองเห็นผู้หญิงว่สวยว่างามที่อะขึ้นภาพไปที่มันก็หงส์ตัวสวยนี่นี่เนี่ยตัวนั้นเขาไม่เห็นเป็นอะไรอนีอยู่ตามสภาพลิน้นอ่องไฟเป็นเป็นรูปเป็นภาพอย่างนั้นตัวนี้มันตัวสัมพันธ์ตัวว่าสวยขึ้นบงนี้พอพมันปรงภาพมานี้สติมันรู้ทันทีทันทีมันดับทุบไปเลยนี่ตัวทั้งขาเนี่ยตัวสวยอ่ะตัวหลอกกันเนี่ยตัวไม่สวยเลยตัวทั้งขาแม่มันเห็นตัวตรงนี้มันไม่ได้เห็น โทษให้คุณมันไม่เห็นน้านักเลยชมที่หนุ่นมันไม่เห็นโทษตรงนี้แล้วมันจะไปไหนนี่มงขั้น่องมันรู้มันรู้งั้อนกันมันก็เฮ้ยมันหลอกเต่อให้จิตหล็งมันใช้ขันเป็นเครืองมือหลอกก็ใช่ไหมหัวจงดิ้นไปเดินอ่านพรนที่เริณาร้องคความเรวให้ได้ ความพิเดชเป็นจากกิเลสแล้วให้ทําครองใจแล้วโอ้แสงสบาย<ม>เดือนปีนาทีมงสมมติทั้งมวลมันจะไม่มีปัญหาเข้าไปยุ่งใจเลยเพราะใช้เวลาไปยุ่งกับเขาเนี่ยแทนที่จะไปะยุ่งกับความพิเดชชักจุงหรือลากมันไปยุ่งเมื่อตัวาตรากตัวจูมไม่มีแล้วจิตจะเป็นจิตการเป็นทําทั้งทั้งแท่งไปเสียหาธรรหาที่ไหนพอไปเจอใจ เป็นดวงกันแล้วมันก็เท่านั้นแหละปัญหาธรรมธรรมอยู่ที่ไหนมันก็หมดไ ป, ปหาที่ไหนเด็กใครเป็นคนรู้ทำอยู่แล้วนี่เนี่ยใครเป็นคนทำผัตธรรมใครเป็นคนดูกับธรรมธรรมคืออะไรมันรู้อยู่กับใจนั่นเสียจะหลงไปไหนตะคุบเงาไปไหนนเห็นตัวมันแล้วเนี่ยขาดตะคุบเงา อ, อยู่เหรอจะตามรอยมันที่ไหนรอยมันก็อยู่กับตัวมันแล้วนี่เนี่ย ที่ได้แลก็ตามลอยไปตามเลยมันก็ตามลอยกปคเมืม่อถึงตัวโคแล้วมันก็หมดปัญหาเรื่องการที่จะทำเลยีถึงทำแค้แล้วมันก็หมดปัญหาในการที่จะตามเด้วยวิธีการตา่ตางๆการน่องลอยของความกินเข้าไปจนถึงความกินยันเป็นที่แล้วปัญหาการตามลอยก็หมดก็มีเท่านั้นะที่วาไงไปพากันตั้งหกตั้งใจปฏิบัติความคิดใดที่มันเป็นแง่โลกเข้ามา เกียรติแรงจิตใจมันึ่เป็นเหมือนลูกศรให้รีบถอดถอนเป็นทันทีน บ, บังคับทันทีอืมมันจะชอบมันศูนมันอยากจะคิดจะอ่านขนาดไหนให้ทราบว่าความอยากนี้คือตัวธาตุกํากลังตั้งหน้าขึ้นมาให้รู้อย่างนั้นแล้วปรากมันยาเสียดายมันเป็นยังแล้วค่อยสั่ไปได้แต่มันรู้สติปัญญานั้นแหละมันเครื่องปราบห้ามแล้วยังไงสติปัญญาขุดค้นตามตี ต, ต้านนี้น เชื่อผู้ที่รักษาตนผู้ต้องการความพ้นไถ่มันจําเจอมาสะพอแล้วเก็ดก็เก็บแล้วเลื่อนเกิดเลื่อนตายเนี่ยเกิดที่ไหนตายที่ไหนเกิดที่ไหนทุกข์ที่ไหนทุกตามแต่กับความเกิดนั่นนี้ว่าดูขั้นนที่อชาติศักทุกยังไม่มีแต่ผู้ไม่เกิดหนังฟังนี้เกิดมาแล้วนี่กับชังขานพาให้เกิดอีก เกิดปุงติปุงแต่นมันนี่ก็เป็นทุกข์กับมันเ อ, อกน่าจะเกิดเป็นรูปเป็นการแล้วเพราะฉะนั้นคราวดูข้างนาเตียชาลสะจริงได้ทั้งสองน่ทุกอย่างนี้จะพูดไม่เกิดเป็นพวกเป็นชาตินี้นประการ ย, ราย้อนลงไปพนากรัวสังขารที่เป็นตัวตะมูไทยไม่มีทางเกิดได้แล้วมันก็ดับเต้สร้างอยู่ประสมโอ้โหความนับกับเย้สังขารเป็นความสูงนี่ใหญ่แน่สังขารนนี้สังขารตัวตะมูไทยนี้เองตัวใหล่ ทำลายลงไปด้วยธรรมจักรคือมัชฌิมาปฏิปทาเตใส่อุปสมุทสุขโขหลังจาดับเสียงส้างขาไม่หายดังนั้นเป็นควาสุขยิ่งใหญ่แบบนดับที่ตรงนี้ตรงชัางขาที่มันตุ้มช้างขาที่สมุทัยสังคับมันตุงมันแต่มันสําคัญมั่นหมายช้างขานนี้มาดับได้ไงมันเกิดมาแล้วนี่ การนั้นไ่ความดําจริงก็ดับตรงนี้เลยเฮ้มันมีปัญหาอะไรแล้วขอดับสังขารข้างในที่เป็นตัวสมุทรไทยแล้วสังขารนี่มีปัญหาอะไรดับมันนะมันก็ดูกดิ๊กุ๊กดิอยู่เหมือนกับขาจริงเหรนันขาไม่มีเจ้าของดุ๊กดิ๊กดดก่เกิดทุกข์ก็เกิดทั้งมันเกิดอะไรแล้วยิ่งยิ่ยิ่ เรารู้ทำมานะมแล้วมันก็เห็นมีปัญหาอะไรมีแต่เรื่องุูกเล็กๆที่จนกว่าถึงวัน ม, มันจะสลายกันหายไปแล้วก็หายความรับผิดชอบคำวา่วาหายห่วงก็ไม่ไม่ว่านพอเราไม่ห่วงอยู่แล้วนี่ไม่ห่วงไม่ห่วงแล้วแต่ความรับผิดชอบมันหายไปหมดปัญหาหมดความรับผิดชอบแล้วที่นี่สมบูรณ์พนูนผลในความรับผิดชอบกับสินใด ขืนจีตวิสมมุตหนักธรรมญาที่หายหมู่ฝ่ายใจมีได้น้อยน